วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่นี่คือคําถามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่พอ เราจะได้รู้ว่าเรากำลังจะเดินทางไปในทิศทางไหนนั่นเองเพราะการกระทาของเรานี้เป็นการเดินทางเดินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเหมือนกับเวลาที่เราขับรถอยู่บนทางด่วนเราต้องคอยดูป้ายบนทางด่วน ว่าบที่บอกเราว่าเรากําลังจะไปทิศทางไหนถ้าเราไม่ดูป้ายเราขับไปเราอาจจะไปในทางที่เราไม่อยากจะไปก็ได้ฉันใดชีวิตของเราก็เป็นการเดินทางการเดินทางของพวกเราก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ สองจุดหมายปลายทางใหญ่ๆคือการเดินไปในการเวียนว่ายตายเกิดและการเดินไปสู่การสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดจุดหมายปลายทางทั้งสองนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราที่เรากำลังทากันอยู่ ในเวลานี้เราจึงต้องถามตัวเราเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราอยากจะไปไหนกันถ้าเราอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่พระนิพพานเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทาและทรงสอนให้พวกเรากระทากัน ก็คือให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนากันเพราะนี่คือทางที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานพาเราให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกทางหนึ่งนี้ไปอย่างไรทางที่จะพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนี้ เป็นอย่างไรก็คือทางแห่งราบยศสรรเสริญทางแห่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองที่จะพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างสุดแท้แตกการกระทำของเราแต่เราจะ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ที่เราเรียกว่าไตรภพคือกามาพบรูปภพและอรูปภพกามาพบก็คือที่อยู่ของผู้ที่ยังเสกกามสัตว์ที่ยังเสพกา ม, เ, กามเช่นเทวดามนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกนี่เป็นที่ไป ของผู้ที่ยังเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะะอยู่ส่วนผู้ที่ไม่เสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะยะแต่เสบความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็จะไปสู่รูประพบและอรูประพบรูประพบก็คือพบของผู้ที่ได้รูปฌานสี่อรูประพบก็คือ ที่ของผู้ที่จะผู้ที่ไดอารูปฌานสี่แต่พบทั้งหมดนี้ทั้งสามพบนี้เป็นพบที่อยู่ภายใต้กฎของตายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพบที่เป็นพบชั่วคราวเป็นพบที่ได้มาแล้วก็จะต้องเสื่อมหมดไปเช่นได้อารูปภพก็จะเสื่อมลงมาสู่ รูปภพจากรูปภพก็จะเสื่อมลงมาสู่เทวภพสู่กามภพสู่การเป็นเทวดาชั้นต่างๆแล้วก็เสื่อมลงมาตามลำดับจนถึงภพของมนุษย์หรือภพของเดรัจฉานหรือของเปรตของอสุรกายหรือของสัตว์นรกขึ้นอยู่กับการกระทา ว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปทำบุญหรือไม่ทำบุญก็จะพาให้ไปเกิดในภพต่างๆเหล่านี้แต่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดสลับกันไปไปเกิดในอบายแล้วพอบาปที่พาไปหมดกำลังก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่ มาหาลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันใหม่ก็จะทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีพระพุทธศาสนามาบอกทางที่จะไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราก็จะได้พบกับทางที่จะพาให้เราได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบให้เราได้ไปสู่พระนิพพานที่ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็อยู่ที่การกระทำของเราอย่างพบในชาตินี้พวกเราโชคดีพวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ที่จะบอกทางให้กับพวกเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่เราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาเพราะคำสอนนี้ก็เป็นเหมือนป้ายบอกทางบนทางด่วนนี่เองเวลาเราขับรถเป็นบนทางด่วนเราต้องคอยสังเกตป้ายดูป้ายว่า เส้นทางนี้ช่องทางนี้จะไปไหนถ้าเป็นช่องทางถ้าเป็นทิศทางที่เราไม่ต้องไปเราจะได้เปลี่ยนช่องทางให้วิ่งอยู่ในช่องทางที่เราต้องการจะไปอันใดการดาเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ในแต่ละวันนี้จนถึงวันตายของเรานี่มันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่า เรากำลังจะไปในทิศทางไหนกันถ้าเราไปสู่การแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกริ้งกายกันก็แสดงว่าเรากาลังไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราไม่อยากจะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องออกจากช่องทางนี้เปลี่ยนช่องทางใหม่ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางที่จะพาไปสู่พระนิพพานก็คือการทำบุญทำทานการรักษาศีลระดับต่างๆและการภาวนาคือสมถภ า, าวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราเดินไปในช่องทางนี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะ ได้ไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระนิพพานก็เป็นเหมือนกับบ้านของเราบ้านที่ถาวรบ้านที่ไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับบ้านชั่วคราวคือภพต่างๆที่เราไปเกิดกันเป็นบ้านชั่วคราวบ้านของเทวดาก็เป็นบ้านชั่วคราว บ้านของพรมพก็เป็นบ้านชั่วคราวบ้านของมนุษย์ก็เป็นบ้านชั่วคราวบ้านของเดรัจฉานของเปรตของอสูรกายของนรกก็เป็นบ้านชั่วคราวถ้าเราไปไปสู่บ้านเหล่านี้ไปแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยๆโยกย้ายไปเรื่อยๆ กลับมาเกิดเรื่อยๆกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆกลับมาทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ยั่ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการแต่ความสุขเราก็ต้องเดินไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเดินกันก็คือให้เราพยายามทําบุญทําทานกันอยู่เรื่อยๆการทําบุญนี้ เป้าหมายหลักก็คือให้เราดึงเอาเงินทองที่เราจะไปใช้ตามความอยากต่างๆเช่นเอาเงินทองไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะมาเสพนีอันนี้ก็เป็นการไปซื้อภพชาตินั่นเองซื้อการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเวลาที่เราได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะแล้วเราก็จะเกิดความติดอกติดใจ เหมือนกับติดยาเสพติดเราต้องเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เราไม่ได้เสพเราก็จะทุกข์เมื่อเราทุกข์เราก็เลยต้องดิ้นไปหาสิ่งที่เราอยากจะเสพกันรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะก็คือกามคุณห้าผู้ที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่ยังติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอยู่ก็เป็นผู้ที่ ยังติดในการมาคุณห้าเมื่อติดในการมาคุณห้าก็ต้องมาเกิดในการมาพบนั่นเองการมาพบนี้ก็แบ่งเป็นสงระดับระดับสุขคติกับระดับทุกขคติระดับสุขคติก็คือพบที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ทุกขคติก็คือพบที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขสุขคติเกิดเกิดได้อย่างไร ทุกขติเกิดได้อย่างไรทุกขติก็เกิดจากการทำบาปเวลาที่เราจะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเราก็ต้องไปหามันมาการหารูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็หาได้สองวิธีคือหาด้วยการกระทำบาปหรือหาด้วยการไม่กระทำบาปถ้าหาด้วยการกระทำบาปเราก็ต้องไปเกิดใน อบายไปสู่ทุกขติการกระทำบาปของเราก็มีอยู่สี่ลักษณะทําด้วยความหลงถ้าทําด้วยความหลงทําบาปด้วยความหลงท่านก็บอกว่าจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภก็จะไปเกิดเป็นเปรต ถ, ถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสูรกาย ถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปเกิดในนรกนี่คือเหตุของการไปเกิดในทุกขติกันส่วนเหตุที่จะทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการที่เราไม่ได้ทำบาปกันในเวลาที่เราแสวงหาความสุขจากรูปเสีนนยงกลิ่นรสไม่ทำบาป ก็จะทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันถ้าเราทําบุญด้วยนอกจากไม่ทําบาปแล้วเรายังมีความเมตตาเวลาเราเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือกันมีอะไรก็แบ่งปันกันมีข้าวของเงินทองมีความสุขก็แบ่งกันถ้าเราทําบุญด้วยและเราไม่ทําบาปเราก็จะได้ไปเกิดใน สุขคติก็คือพบของเทวดาพบของเทวดาชั้นต่างๆแล้วถ้าเรามีโอกาสได้พบกับผู้ที่รู้จักวิธีนั่งสมาธิรู้จักวิธีเข้าฌานแล้วเขาสอนให้เรานั่งสมาธิให้เราเข้าฌานกันถ้าเราได้ฌารูปฌานขั้นที่หนึ่งถึงสี่เราก็จะได้ไปเกิดในรูปภพ ก็คือเป็นพรมโลกชั้นรูปประพรมแล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้สู่ขั้นอรูปฌานเราก็จะได้ไปสู่อรู ป, ปรโลกคือได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นอรูปประพรมแต่เราก็จะไปได้เพียงเท่านี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนให้เรา ไปกลกว่านี้ไปสูงกว่านี้คือไปนิพพานไปสู่มรรคผลนิพพานการที่เราจะไปสู่มรรคผลนิพพานไปแบบไม่ต้องกลับมาได้นะี่ต้องมีพระพุทธศาสนามีการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัสัตว์เห็นพระอริยสัจสี่ที่ทรงเห็นว่าการที่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่ก็เพราะความอยากต่างๆที่มีที่เรามีกันนี้เองคือความอยากในกามคุณห้าเรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะที่เราเสพกันนี้แหก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามาเกิดในกามมาพบกันเความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น ก็เช่นเดียวกันก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในภพใดภพหนึ่งในในทั้งใต้ทั้งสามภพนี้ความอยากได้รูปฌปานก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในรูปภพรูปภพความอยากได้อารูปฌปานก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในอรูปฌานความอยากได้อ รูปเสียงกล่นรถก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในกามะพบความอยากไม่สูญเสียรูปประชานอารูปประชานหรือความสุขทางทางกามคุณก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในตายพบนี่นี่คือความความอยากสามประการกามตัญหาภาวะตันหาวิภาวะตัญห า, ะะญหาที่พระพุทธเจ้าได้ส่ง คนพบว่าเป็นต้นเหตุของการกลับมาเกิดในไตรภพถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในไตรภพนี้ก็ต้องละกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหานี้ถ้าละได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปการจะละกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้ ก็ต้องมีปัญญามีมรรคมรรคคืออะไรมรรคก็คือการเห็นว่าพบทั้งสามพบนี้เป็นทุกข์นั่นเองการหาลาภยศสารเสริญสุขการหารูปประชานการหาอารูปประชานอันนี้เป็นการาทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราต้องตัดความอยากด้วยการเห็นด้วยปัญญาว่าพบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพบที่ละเอียดที่ดีขนาดไหนก็ยังเป็นพบที่ยังจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปเวลาที่เราสิ้นสุดในสิ่งที่เราได้รับความสุขเราก็จะได้รับความทุกแทนเวลาความสุขที่เราได้มาหมดไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ความสุขก็คือความทุกนั่นเองเวลาที่เราสูญเสีย จิตเราเสื่อมจากรูปรู้ประพบเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเสื่อมจากรูประพบจิตก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเสื่อมจากการมาพบก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราจึงต้องเห็นว่าวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในภพต่างๆก็คือเราต้องหยุดความอยาก ในกามหยุดในภาวะและในวิภาวะทั้งหลายเกิดหยุดกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี่เองถ้าเราหยุดได้แล้วใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปถ้าเราได้ขั้นที่หนึ่งเราก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติในการ ม, มาพบ คือท่านพระโสดาบันท่านพระโสดาบันนี่ท่านล ะ, ะท่านละการการมรัตหาได้ในระดับหนึ่งคือการที่เกี่ยวกับร่างกายของตนเองความรักตัวกลัวตายรักรูปรักตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ถ้าละได้ท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมากกว่าเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก แ้วนะถ้าได้ขั้นที่สองก็จะเหลือเพียงชาติเดียวคือขั้นสกิดาคามีถ้าได้ขั้นที่สามขั้นนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามาพบเพราะสามารถตัดกามตัณหาได้หมดเหลือแต่ภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่ยังมีอยู่ท่านก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นผอมแล้วก็ไปไปตัดกาม ไปตัดภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลําดับต่อไปอันนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาค้นพบพระอริยสัจสี่ทรงค้นพบว่าการเกิดแก่จีบตายที่เป็นความทุกนี้เกิดจากการวตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ถ้าต้องการจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นความทุกข์นี้ก็ต้องหยุดกามรตันหาภาวตันหาและวิภาวตันหาสิ่งที่จะหยุดกามรตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาได้เรียกว่ามรรคก็คือทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาบําเพ็ญกันนี้เองถ้า <Yeah. S 1> เราบําเพ็ญทานศีลภาวนา ไปตามลําดับจนครบบริบูรณ์เราก็จะสามารถละตัณหาทั้งสามได้คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภาวตัณหาได้ดังนั้นเราก็ต้องมาบําเพ็ญทานศีลภาวนากันซึ่งเป็นเป็นธรรมที่เป็นเหมือนขั้นบันไดคือเราจะต้องก้าวขึ้นไปตามขั้นของมันเราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปได้ นอกจากว่าถ้าเราเคยทำมาแล้วเราได้ผ่านมาแล้วเราก็สามารถก้าวข้ามไปได้เช่นชาติก่อนเราอาจจะทำทานมาอย่างเต็มที่แล้วเราสามารถไปรักษาศีลแปดได้แล้วเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่ต้องหาเงินหาทองเราก็ไม่ต้องไปทำบุญทำทาน แต่ถ้าเรายังต้องใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเช่นไปเที่ยวตามสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปซื้อของที่เรารักเราชอบที่เราเห็นด้วยตาหรือได้ยินด้วยหูก็แสดงว่าเรายังมีกามตัณหามีความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขเหล่านี้อยู่ เราก็ต้องเอาเงินทองที่เราไปจะจะไปซื้อความสุขเหล่านี้ไปทำบุญทำทานแทนเพื่อที่เราจะได้ตัดการมตัณหาด้วยการใช้เงินใช้ทองไป <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เมื่อเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองถ้าหาเงินทองก็หาเพื่อมาใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นก็คือการเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยปัจจัยสี่มันก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้เวลามากไปกับการหาเงินหาทองและไม่ต้องใช้เวลาไปกับการใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกัน เราก็จะได้มีเวล า, ามารักษาศีลแปดกันมามีเวลามาปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าเรายังต้องทําบุญทำทะและยังต้องเอาเงินเอาทองนี้ไปเที่ยวกันเราก็ต้องใช้เงินทองมากเราก็ต้องไปทํางานกันมากเสียเวลากับการหาเงินหาทองมากเสียเวลากับการใช้เงินใช้ทองมาก เราก็จะไม่มีความสามารถที่จะมารักษาศีลแปดได้เราจะรักษาได้ก็เพียงศีลห้าเท่านั้นดังนั้นขั้นต้นถ้าเรายัางต้องใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอยู่เราก็ต้องมาหยุดมันหยุดมันด้วยการเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขเหล่านี้ ไปซื้อของที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วจะทำให้เราหยุดความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้พอเราไม่มีความอยากจะใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเราก็เราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองมากมายเราก็จะมีเพียงแต่ เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเราก็จะหาเท่าที่จำเป็นเราก็ไม่ต้องเสียเวลามากเราก็จะมีเวลาว่างมีเวลาที่เราจะได้มารักษาศีลแปดมาอยู่วัดมาอยู่ที่สงบที่ห่างไกลจากสิ่งที่มาคอยยั่วยวนกวนใจเราก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติ มาควบคุมความคิดมาควบคุมความอยากมาหยุดความคิดมาหยุดความอยากกันแล้วถ้าเราทำไปได้เรื่อยสัปวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้หยุดความคิดหยุดความอยากได้ชั่วคราวเวลาที่ใจเราสงบไม่ปราศจากความคิดปราศจากความอยากเราก็จะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการที่เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้รับความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการได้ราบได้ยศได้สรรเสริญมันก็จะทำให้เราสามารถถอนตัวเราออกจากการไปแสวงหา ราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้เราก็จะสามารถที่จะอยู่เฉยเฉยหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเรามีความสุขทางใจการที่เราจะหยุดความอยากต่างๆได้อย่างถาวรเราก็ต้องใช้อริยรรสัจสี่ใช้ปัญญาที่พุทธเจ้าสรงสอนทรงค้นพบ ว่าทุกครั้งที่เราทำตามความอยากมันเป็นการสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาเพราะความอยากนี้จะดิงให้ใจของเราไปเกิดในการมาพบในรูปะพบและอรูปะพบนั่นเองดังนั้นเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเรายังมีความอยากอยู่เวลาเกิดความอยากเราก็ต้องเอาปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูนี้ มาสอนมาบอกใจเราว่าการทําตามความอยากทั้งสามประการคือกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นการพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายกันพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันการที่เราไม่ทําตามความอยากนี้จะทําให้ความอยากหมดไปแล้วเมื่อไม่มีความอยากต่อไปใจเราก็จะไม่มีอะไร มาเดึงให้เราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบในรูปพบและอรูปพบนี่คือขั้นของปัญญาขั้นปัญญาก็คือเราต้องเข้าใจ อ, อ, อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดนี่เอง สมุทัยก็คือต้อนเหตุที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็คือกามตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ก็จะทำให้เราต้องไปเกิดในตายพบไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากนี้มันไม่มีวันหมด ศาบตรใดที่เราทำตามความอยากความอยากนี้มันจะหมดก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากเท่านั้นและการที่เราจะไม่ทำตามความอยากได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องมีทานศีลภาวนานี้เองเพราะถ้าเรามีทานศีลภาวนาเราจะสามารถสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ได้ความสุขที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิด ความสุขที่ไม่ต้องไปมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขความสุขที่ไม่ต้องมีความสงบในระดับรูปประชานหรืออารูปประชานมาให้ความสุขเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบที่ไม่มีความอยากถ้าเรากำจัดความอยากได้ใจของเราก็จะสงบอย่างถาวร เบื้องต้นเราก็จะได้ความสุขแบบรูปฌานอารูปฌานไปก่อนเวลาจิตสงบในขั้นรูปฌานเราก็จะได้ความสุขในระดับรูปฌ า, านเวลาจิตสงบลึกเข้าไปก็จะได้ความสุขในระดับอรูปฌานแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เวลาออกจากความสงบมาพอเกิดความอยากความสุขเหล่านี้ก็จะหายไป ถ้าเราอยากจะให้ความสุขเหล่านี้อยู่อย่างถาวรเราก็ต้องกําจัดความอยากต่างๆที่จะคอยโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพอเราหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยทานด้วยศีลด้วยสมถะภาวนาด้วยวิปัสสนาภาวนาแล้วเราก็จะไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะเหตุ คือการมารฐหาภาวะฐานหาและวิภวะัาหาจะได้ถูกกําจัดด้วยการบําเพ็ญ ว, วิปัสสนาภาวนาคือเห็นุโทษของความอยากเวลาใจอยากนี่ใจจะเกิดความไม่สงบขึ้นมาทันทีใจที่สงบอยู่เฉยๆนี้เป็นเหมือนน้านิ่งหรือเป็นเหมือนภูเขาไฟที่ยังไม่ปะทุ แต่พอภูเขาไฟปะทุ ข, ขึ้นมานี้มันก็จะส่งอของร้อนออกมาชั้นใดเวลาใจสงบใจจะเย็นจะสบายแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาปับ๊บความสงบความเย็นจะหายไปความวุ่นวายความร้อนรนก็จะตามมาทันทีถ้าเราได้ความสงบแล้วได้สมาธิแล้ว เราจะเห็นอย่างชัดเจนโทษของความอยากต่างๆว่ามันเป็นตัวทำลายความสุขไม่ได้เป็นตัวสร้างความสุขอย่างที่เราคิดกันถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้เราจะไปคิดว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการทำให้เรามีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขรอมเป็นความสุขชั่วคราวเพราะเดี๋ยวก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ พอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่เราก็ร้อนรนเราก็อยู่ไม่เป็นสุขเราก็เลยต้องไปทำตามความอยากพอเราได้ทำตามความอยากความอยากนั้นก็จะสงบตัวลงไปเลยทำให้ใจเราสบายขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการทำให้ใจเรามีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวความสุขเดี๋ยวความอยากอันใหม่มันก็จะโผล่ขึ้นมาอีก แล้วนอกจากความทุกข์ที่ได้จากาทำทำตามความอยากแล้วเราก็ยังจะได้ความทุกข์จากการที่เราสูญเสียสิ่งที่เราได้มาจากการทําความอยากของเราไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพ้ทาไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราได้มาด้วยความอยาก ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องมีวันพัาดพลาดจากกันพอเวลาเกิดการพัาดพลาดจากกันขึ้นมาความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปนี่คือหน้าที่ของวิปัสสนาที่จะคอยสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากนี้เป็นการที่จะ ทำให้ความอยากมีต่อมาเรื่อยๆมีไม่มีวันหมดแล้วถ้ามีความอยากเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากนี้ก็จะเดึนให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่อีกเราจึงต้องเห็นโทษของความอยากว่าเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต่างๆถ้าเราเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญา ด้วยใจที่สงบเราก็จะไม่ทำตามความอยากเราก็จะหยุดความอยากได้เพราะเราเห็นอย่างชัดเจนโทษของความอยากถ้าใจเรายังไม่สงบนี้เราจะไม่เห็นความแตกต่างเวลาที่ใจสงบกับเวลาที่ใจมีความอยากว่ามันเหมือนกับภูเขาไฟภูเขาไฟที่ยังไม่ระเบิดกับภูเขาไฟที่ระเบิดนี่ มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนฉันใดความสงบกับเวลาที่ใจสงบไม่มีความอยากกับเวลาที่ใจสงบแล้วเกิดความอยากขึ้นมานี่มันจะเป็นหน้าพลิกเป็นหน้ามือเป็นหนังมือไปเลยใจที่สงบอย่างเยือกเย็นพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความร้อนรอนขึ้นมาเกิดความกังวลเกลอวายขึ้นมาทันที พอเรารู้ว่ามันเป็นโทษกับใจของเรารู้ว่ามันเป็นตัวที่จะดึงใจของเราให้ไปเกิดแก่เจ็บตายเราก็ไม่ทาตามมันเท่านั้นเองแล้วเราสามารถที่จะไม่ทาตามมันได้เพราะเรามีกําลังเรามีสติมีสมาธิที่จะอยู่เฉยๆได้ที่ไม่ต้องตอบสนองความอยากต่างๆได้แต่ถ้าเรายังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิ เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้เราไม่มีกําลังที่จะฝืนความอยากเพราะว่าเราไม่มีสติที่จะหยุดมันเราไม่มีสมาธิที่จะหยุดมันนั่นเองพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องไปทําตามที่มันสั่งเพราะถ้าไม่ทําตามเราจะรู้สึกทรมานใจมากนั่นเองแต่พอเราได้ทําตามที่มันสั่งแล้วความทุกข์ทรมานใจนั่นก็จะหายไป เราก็เลยต้องติดอยู่กับการทําตามความอยากอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังไม่สามารถสร้างสมาธิขึ้นมาได้ไม่สามารถสร้างสติขึ้นมาได้นี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญในการที่เราจะเอามาใช้ในการหยุดความอยากก็คือเราต้องสร้างสติต้องสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วก็อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าคือ อภาลิยสัจ ส, สี่มาสอนใจมาเตือนใจว่าปัญหาทั้งหมดความทุกข์ทั้งหมดการเวียนว่ายทั้งหมดนี้เกิดจากกาม m a ตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี้เท่านั้นเราต้องไม่ทําตามมันเวลามันมาชวนให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่ไปเวลาชวนให้เราไปเป็นนั่นเป็นนี่เราก็ไม่ไปเวลามันชวนให้เราไม่ให้เป็น อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราก็ไม่ไปแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติเราจะไม่สามารถสู้มันได้นั่นเองังนั้นการปฏิบัติของพวกเราจึงปฏิบัติที่สติและสมาธินี้เป็นหลักเราต้องสร้างสติขึ้นมามาหยุดความคิดมาหยุดความอยากพอหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะเป็นสมาธิสงบเป็นอุเบกขา ไม่นักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเวลาเกิดความอยากก็จะไม่ดินน้นรนไม่ทรมานใจเพราะใจเฉยๆกับความอยากได้แล้วถ้าเราใช้ปัญญามาสอนว่านี่แหละตัวนี้แหละที่ถ้าเราไปทำตามมาแล้วมันจะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดมันจะพาเราไปอยากอยู่เรื่อยๆอยากยังไม่มีวันจบอยากยังไม่มีวันเส้นสุดความอยากนี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่า มันยิ่งใหญ่มากกว่าน้ำในมหาสมุทระอีกมหาสมุทรนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันยังมีประมาณยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้มันไม่มีประมาณมันเหมือนท้องฟ้านี่มันไม่มีขอบไม่มีเขตอยากเท่าไหร่ยิ่งอยากเข้าไปเรื่อยๆมันจึงพายเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนับไม่ถ้วนและจะเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอยู่เรื่อยๆ จนกว่าเราจะมาหยุดมันให้ได้การที่เราจะหยุดมันได้เราก็ต้องมาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังธรรมนี่เองอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาได้มายินได้ฟังธรรมแล้ววิธีกําจัดความอยากให้กําจัดอย่างไรให้กําจัดด้วยการหยุดใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆ ต, ตามความอยากแล้วก็ให้เราหยุดความอยากทําในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับ ใจของเราก็คือการการกระทำบาปต่างๆแล้วก็ให้เรามาหยุดกิจกรรมที่เราทำตามความอยากเช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราอันนี้ก็เป็นการกระทำตามความอยากการรับประทานอาหารตามความอยากก็ต้องหยุดให้รับประทานอาหารตามความต้องการของร่างกายซึ่งต่างจากการรับประทานอาหารตามความอยาก เพราะการรับประทานตามความต้องการเราสามารถกาหนดเวลาให้มันรับประทานได้สามารถกาหนดปริมาณได้แต่การรับประทานตามความอยา่างนี่มันจะไม่มีเหตุไม่มีผลมันนึกอยากเมื่อไหร่มันก็หิวขึ้นมาเมื่อ น, นั้นแล้วรับประทานกี่ครั้งมันก็ยังหิวอย่างอยากอยู่อย่างนั้นเราต้องหยุดการรับประทานอาหารตามความอยาก แล้วมารับประทานตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลาว่างมามาปฏิบัติจรินสติมาทำใจให้สงบเป็นสมาธินั่นเองถ้าเรายังทำกิจกรรมตามความอยากอยู่เราก็จะไม่มีเวลาเช่นคนที่ไม่ถือศีลแปนี้จะหาเวลามาปฏิบัติได้ได้ไม่มากอาจจะได้สักชั่วโมงก่อนนอน แต่ถ้าคนที่ถือศีลแปดได้นี้จะสามารถมีเวลาปฏิบัติตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปแล้วหลังจากรับประทานกลางวันเสร็จแล้วก็ว่างล้วทีนี้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการหาอาหารมารับประทานอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปทํากิจกรรมอย่างอื่นให้เสียเวลาเช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกม้นกายเช่นไปดูมหโระทบันเทิงต่างๆ ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทําเผ้าทําผมอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทําให้เราไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิกันนั่นเองถ้าเราถือศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็เดินจงกรมได้เดินจงกรมจเจริญสติไปก่อนพุทโธพุทโธไปก่อน เดินไปกระทั่งรู้สึกเมื่อยอยากจะพักก็ลงมานั่งสมาธิต่อก็ดูลมหายใจหรือปวิกรรมพุทโธต่อไปถ้าสติมีอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ตกลุมตกบ่อเข้าไปพอใจสงบแล้วความสุขที่เราไม่เคยเจอก็จะปรากฏขึ้นมาคือความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง จะทำให้เราหายเหน็ดหายเหนื่อยจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มเราพอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปหาความสุขแบบที่เราเคยหากันเช่นอาหารหาความสุขจากการรับประทานอาหารหาความสุขจากมหัศรศกบันเทิงหาความสุขจากการน่วมหลับนอนกันเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรไปเรากลับคิดว่าเราได้กำไร เราได้ความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่เราเคยมีกันพอเรามีความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถสู้กับความอยากต่างๆได้ความอยากที่จะไปดูมหอรสศบบันเทิงความอยากที่จะไปรับประทานอาหารตามความอยากความอยากที่จะมีที่จะหลับนอนกับคู่ครองของตนนี้ มันจะไม่มีครับอำนาจที่จะมาดึงใจของเราให้ไปทำอีกต่อไปได้ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่าถ้าทำตามความอยากเหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้การเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะเกิดแก่เจ็บตายเราก็อย่าไปทำตามความอยากเหล่านี้เราก็จะสามารถหยุดมันได้อย่างง่ายได้เพราะเรามีความสุขในตัวของเราอยู่แล้ว เรามีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเรามีความพอมีความอิ่มแล้วเพียงแต่ว่าเรายังต้องใช้ปัญญาเตือนใจสอนใจให้รู้ว่าถ้าเราไปทําตามความอยากมันจะพาให้เราไปอยากไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะพาให้เราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆเราก็อย่าไปทําตามความอยาก เรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี้ก็พอแล้วพอเรามีปัญญาแล้วมีกำลังมีสมาธิมีสติที่จะหยุดความอยากได้ที่ไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็บรรลุถึงพะ น, นิพานพระโสดาบันทศกิดาคามีพระอนาคามีนี้ท่านกำจัดความอยากไป ในแต่ละระดับแต่ยังไม่กำจัดได้หมดนะพระโสดาบันก็กำจัดได้หนึ่งในสี่พระสกิฎาคามีก็กำจัดได้ครึ่งหนึ่งพระอนาคาคามีก็กำจัดได้สามในสี่พอพระอาหารหันต์ก็กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้เต็มร้อยพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจของพระอาหารหันต์ก็กลายเป็นพระนิพพานขึ้นมา ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระหลานตสาวกเป็นนิพพานเพราะว่าไม่มีความอยากทั้งสามประการนี้อยู่ในใจของท่านนั่นเองคือไม่มีกามตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาพอไม่มีความอยากทั้งสามประการนี้อยู่ในใจใจก็ไม่มีตัวที่จะฉุดลากให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ ถ้าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันก็คือให้เราทําทานกันให้เรารักษาศีลกันให้เราภาวนากันสมถภาวนาวิปัสนาภาวนากันถ้าเราทําได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญเหมือนกับที่พระสาวกได้ปฏิบัติเราก็จะได้พระนิพพานเหมือนกัน พอใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกนี้ก็เป็นใจเหมือนกันเป็นธาบรู้เหมือนกันต่างกันตรงที่ใจของพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนี้ท่านไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจอยู่แล้วเพราะท่านมีทานศีลภาวนาเป็นเครื่องซักพอกเป็นเครื่องกําจัดนั่นเองแต่ใจของพวกเรานี้ยังมีความอยากคือมีกามาตัาหาภวะตันหาวิภาวะตันหาอยู่ เพราะเราไม่มีเครื่องกำจัดมันนั่นเองเรายังไม่มีทานศีลภาวนาสมบูรณ์อาจจะมีบ้างบางส่วนอาจจะมีทานบ้างอาจจะมีศีลบ้างอาจจะมีภาวนาบ้างแต่ยังเป็นส่วนน้อยอยู่ยังไม่พอที่จะกำจัดตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้ถ้าพวกเราทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจของพวกเราด้วยการมาทำทานรักษาศีลภาวนา อยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตลอดเวลารับรองได้ว่าเดี๋ยวเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราจึงต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังก่อพบก่อชาติหรือเรากำลังทาลายภพชาติด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนากัน หรือว่าเรากำลังไปห า, าลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอันนี้เป็นป้ายบอกทางที่จะบอกว่าเรากำลังไปสู่พนิพานหรือเรากาลังไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่ที่การกระทาของเราในปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถไปพานิพานได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวช เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวประเด็นที่จะมากำหนดว่าจะไปนิพพานได้หรือไม่ตัวที่จะกำหนดก็คือว่ามีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ในใจหรือไม่ถ้าไม่มีสร้างขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าสร้างทานขึ้นมาได้สร้างศีลขึ้นมาได้สร้างภาวนาขึ้นมาได้ก็ไปนิพพานได้ ภาษาพวกของพระพุทธเจ้านี้มีทุกเพศทุกวยัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งนักบวชมีทั้งค่าวร่าผู้ครองเรือนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งชนชาติจากประเทศต่างๆไม่จํากัดสิ่งเหล่า น, นี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะไปได้หรือไม่ได้ตัวที่จะบ่งชี้ว่าไปได้ไหมหรือไม่ได้ก็คือ ทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาบำเพ็ญกันนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องคอยหมั่นถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังแสวงหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเรากำลังหาทานศีลภาวนาถ้าเราหา ลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจจบกนิ้นกายเรากําลังหาพบชาติกันเรากําลังสร้างพบสร้างชาติสร้างการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราหาทานหาศีลหาภาวนากันเรากําลังทําลายพบชาติกันเรากําลังยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันเรากําลังเดินทางไปสู่พระนิพพานกันการกระทําเหล่านี้ไม่มีใครจะมากระทําให้กับเราได้ไม่มี ครูบาอาจารย์ก็เพียงแต่สอนเพียงแต่บอกได้เท่านั้นเองเมื่อท่านสอนท่านบอกแล้วท่านก็ถือว่าหมดหน้าที่แล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมากไปกว่านี้ได้ผู้ที่ศึกษาเท่านั้นจะเป็นผู้ที่จะต้องเดินไปในทางนี้เองการมีครูบาอาจารย์นี้ก็เป็นเหมือนกับการมีป้ายบอกทางบนทางด่วนนี้องจะทําให้เราเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ ถ้าไม่มีป้ายบอกทางบนทางด่วนเราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปก็ได้เพราะเราอาจจะเข้าช่องผิดเดินช่องผิดแล้วมันก็จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอีกที่หนึง่งนะงั้นการมีป้ายบอกทางนี้ก็สําคัญคือการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคอยบอกทางให้กับพวกเรานี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่สําคัญ สิ่งที่สําคัญอีกสิ่งนี้ก็คือการบําเพ็ญการปฏิบัติของพวกเราเองถ้าพวกเรามีป้ายบอกทางแล้วแต่เราไม่เดินเราไม่ขับรถขึ้นทางด่วนเราก็ไม่ไปเราก็ไม่สามารถไปถู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้เราต้องขึ้นทางด่วนกันเราต้องขึ้นทางด่วนที่มีทานมีศีลมีภาวนาเป็นป้ายบอกทางแล้วพยายาม เดินไปในทางของทานของศีลของภาวนาอย่างไม่ยับยัง้งอย่างไม่หยุดหย่อนจะทําได้มากได้น้อยก็ขอให้ทําไปในเบื้องต้นเราก็ทําได้ตามกําลังของเราที่เราไปอยู่ในขณะนี้แต่เราสามารถเพิ่มมันขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะเมื่อเราทําแล้วเราจะเห็นผลว่ามันดีกับจิตใจมันจะทําให้เราสุขขึ้นทุกข์น้อยลงไป แล้วมันก็จะทำให้เราสามารถทำเพิ่มได้มากขึ้นไปตามลำดับเช่นตอนนี้เราอาจจะทำบุญแค่ร้ยลสิบของเงินของทรัพย์ที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราทำไปแล้วเราเห็นว่ามันทำให้เราสบายใจแทนที่จะเอาเงินร้อยละสิบนี้ไปเที่ยวเราเอามาทำบุญเราจะเห็นความแตกต่างของผลที่ได้รับจากการทำบุญมันก็จะทำให้เราอยากจะทำบุญมากขึ้น อย่างร้อยละสิบเราก็อาจจะเพิ่มเป็นร้อยละยี่สบร้อยละสามสิบไปตามลำดำับการรักษาศีลก็จะทําให้เรารักษาศีลได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นตอนต้นเราอาจจะไม่รักษาศีลห้าได้ทั้งห้าข้อแต่พอเราได้ทําบุญทําทานแล้วใจเรามีความสุขมีความโล่มเย็นความหิวความอยากเบาบางลงไปน้อยลงไปมันก็ทําให้เรานีสามารถรักษาศีลได้เพิ่มมากขึ้นไป วอาใจเราจะมีความเมตตาผู้ที่ทำบุญจะไม่ชอบทำบาบนั่นเองไม่ชอบเบียดเบียนไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะรักษาสีนเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นไปจากสินห้าก็จะสามารถรักษาสินแปดหรือสินยีสินสิบสินสองร้อยยี่สิบกว่าได้ตามลำดับไปถ้าเรารักษาสีนได้มากเราก็จะมีเวลาที่เราจะได้มาบาเพ็ญกันมาเจริญสติ จเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้มีความสุขเรามีความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเราก็รักษามันด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าด้วยอริยสัจสี่ทุกครั้งที่เรามีความอยากก็บอกว่ามันเป็นการไปก่อภพบก่อชาติยาวอยากไปทำตามความอยากไม่ต้องทำตามความอยากเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าแล้ว ตามอย่างนี้มันนนนมันมันจะไม่ได้พาไปสู่ความสุขที่เรามีอยู่ที่ดีกว่าละมันจะพาเราไปสู่ความสุขที่ด้อยกว่าและเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปนี่คือปัญญาขั้นสูงสุดของการปฏิบัติอันนี้เราไม่มีของเราเองเราต้องรอปัญญาของพระพุทธเจ้าชาตินี้พวกเราโชคดีเราได้มาพบกับปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วพบกับพระอริยศาสาศีแล้ว เอามาใช้ในการหยุดความอยากกันเอามาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดกันแต่การจะใช้ปัญญานี้ได้เราต้องมีความสุขในใจก่อนเราต้องมีความสงบ ก, ก่อนถ้าใจเราไม่สงบไม่มีความสุขเราจะไม่สามารถใช้ปัญญามาสอนใจไม่ให้ไปทําตามความอยากได้เพราะถ้าเรายังไม่มีความสุขใจพอเราเกิดความอยากเราก็จะดิ้นไปทําตามความอยากทันทีเพราะถ้าเราไม่ได้ทําแล้วเรารู้สึก ทุกมากทรมานมากนั่นเองแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสุขแล้วเราจะไม่รู้สึกทุกข์ทรมานใจเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องทําตามความอยากได้เราก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงไว้ในอริยสัจสีได้ว่าการหยุดความอยากนี้เป็นการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรื่องของการบําเพ็ญของพวกเรา ตามที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราบำเพ็ญกันพวกเราจะบำเพ็ญกันได้หรือไม่ได้ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆสอนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่วันเวลาผ่านไปก็แสดงว่าเวลาที่เราจะใช้ในการปฏิบัตินี้ก็มีน้อยลงไปทุกวันทุกวันถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติก็ควรที่จะเริ่มปฏิบัติกัน ถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ควรที่จะปฏิบัติให้มันมากขึ้นไปตามลำดับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะมีเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรนั่นเองแั้นเราจึงไม่ต้องเราจึงไม่ควรประมาทควรถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันตื่นขึ้นมาก็ถามตัวเราเลยว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ก่อนก่อนนอนก็ถามตัวเราเองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากาลังทาอะไรอยู่ วันนี้เราไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าเรามาหาทานหาศีลหาภาวนากันออย่างวันนี้ญาติโยมมาหาทานหาศีลภาวนากันมาที่นี่ก็ได้ทําทานกันนั่งเฉยเฉยไม่พูดไม่ทําอะไรเราก็รักษาศีลกันเอจิตไม่คิดอะไรตั้งใจฟังธรรมจิตก็เป็นสมาธิกันอพอฟังธรรมจิตก็ได้ปัญญากันเอ อันนี้กําลังหาทานศีลภาวนากันเขาให้เราหาอย่างนี้มากๆให้มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าหาแต่เฉพาะวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นเองต่อไปเราจะต้องหาแบบหาทุกวันเพราะถ้าหาเพียงแต่วันเสาร์วันหยุดวันอาทิตย์นี่เวลามันจะไม่พอเราจะต้องก้าวไปสู่การหาทานศีลภาวนาอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าเราสามารถทําแบบ นักบวชทำแบบพระพุทธเจ้าทำแบบพระสาวกได้พระพุทธเจ้าก็ท่งรับประกันเลยว่าสามารถที่จะถึงพระนิพพานได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีอย่างแน่นอนดังนั้นเรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับประกันแล้วเรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกวิธีปฏิบัติกับเราแล้วสิ่งที่เราต้องทาก็คือเราต้องปฏิบัติตามเท่านั้นเอง ถ้าเราปฏิบัติตามแล้วรับรองได้ว่าเราจะต้องถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอนุลันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงอย่างแน่นอนดันั้นขอให้พวกเรามีความมั่นใจมีความแน่วแนต่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและขอให้น้อมนําเอาไปาปฏิบัติอย่างอย่างสุดความสามารถแล้วเราจะได้รับผลกันอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไหวเพียงเท่านี้ขออนุมูธนาให้พรลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขอยุติไม่ถามตอบถ้าอยากจะถามขอให้ถามในช่วงนี้แล้วถ้าไม่มีคำถามก็จะให้คำถามทางบ้าน ถ้ามีก็เชิญถามได้เลยกล่าวนามสกาหลวงพ่อเจ้าค่ะเออหนูมีสามข้อนะคะข้อแรกก็คือว่าเออหนูทํากรรมฐานหลายอย่างเจ้าค่ะก็คือบางวันก็นั่งสมาธิโดยสวดมนต์ก่อนแล้วค่อยดูดูพุทโทธที่ฐานเจ้าค่ะแล้วก็บางครั้งก็ใช้นครรไกรแล้วก็ดูพุทโทธที่ฐานคือ กำลังมีความสงสัยเล็กน้อยแต่ว่าในการปฏิบัติดูเหมือนจะไปไปได้เหมือนกันเจ้าค่ะก็คือว่าลักษณะที่ทำเนี่ยมันดูดูไม่เป็นอันเดียวเจ้าค่ะ อ, อก็ไม่เป็นไรขอให้เราดูผลก็แล้วกันว่าเรากําจัดความคิดปรุงแต่งได้มากน้อยเพียงไรใจเราอยู่ในปัจจุบันได้มากน้อยเพียงไร ใ, ใจเราสงบไม่วุ่นวายมากน้อยเพียงไรนั้นเป็น ตัวสำคัญเพราะว่าใจของเราบางวันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้ามันเกิดราคะขึ้นมาก็อาจจะต้องใช้อสุภามาดับมันถ้าเกิดโทสะก็อาจจะต้องใช้เมตตามาดับมัน <Okay. S 2> แล้วแต่อารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา so, <okay. S 2> แต่ถ้าปกติถ้ามันไม่มีอารมณ์อะไรวิทวาดสวิตสวดัดเราก็ใช้ตามปกติพุทธโธไปหรือ mm. ดูอิรียบทการเคลื่อนไหวของร่างกายเราไป แต่ถ้ามีอารมณ์แปลกๆเข้ามาเราเราก็ต้องใช้กรรมฐานอย่างอื่นมาแก้มันไปแล้ว<ช>แต่เหตุการณ์แล้วก็ตอนตอนที่นั่งสมาธิอะคะ่ะมันมันเกิดทุกขเวทนาก็ก็พิจารณาตามที่อ่านจากหนังสือหลวงพ่อเล่มที่หนึ่งนะคะเรื่องภาวนามันก็ครึ่งชั่วโมงมันก็ดับไปะคะ่ะแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆก็บวดอีกก็ดับไปอีกดับเองนะเจ้าคะ่ะไม่ได้ด้วยมังกรกวัก ก็ดับสามรอบพอพอรอบที่สี่ก็ตั้งใจจะดับสักสิบรอบเจ้าค่ะแต่แต่รู้สึกว่ากําลังสติมันคือเหมือนกิเลสมันจะบอกว่าพอแล้วพักก่อนอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะมันก็เลยเป็นฟอลโล่ต่อไม่ได้แล้วเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรคราวนี้ไม่ได้คราวหน้าก็ทําต่อไปก็คือตั้งใจให้ไหลนานๆใช่ไหมใช่ค่ะให้เราชํานาญกับการดับความทุกข์ใจของเราด้วยการใช้ธรรมะก็ใช้ได้ต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วถึงแม้จะรับประทานยามันก็ยังเจ็บอยู่เราอย่างน้อยก็สามารถดับความทุกข์ทําใจได้โดยการใช้การปฏิบัติของเราแล้วพอดีว่าหนูก็จริงๆหนูมีข้อสงสัยแต่ว่าหนูปฏิบัติแล้วหนูรู้สึกว่ามันมันทำได้ก็คือว่าหนูไปกราบพระอาจารย์พอดีท่านมาท่านให้ดูดูฐานของจิตอยู่ที่อยู่ที่ตําแหน่งที่หนูดูได้เจ้าค่ะหนูก็เลย ลองทําดูว่าพุโทโธอยู่ที่ฐานของจิตหนูวค่ะแล้วแล้วหนูก็ทําไปได้เรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าจิตมันไม่ลอยอค่ะพุโทโธมันไม่ลอยออกไปถ้าถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ไม่น่าจะผิดอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ผิดเราเราต้องการให้จิตตั้งมั่นฉั้นวิธีไหนก็ได้มันมีตั้งสี่สิบวิธีด้วยกันวสี่สิบวิธีหลักก็ยังมีสี่สิบวิธีที่แยกออกจากสี่สิบวิยังมีวิธีหลากหลายที่แยกออกจากสี่สิบวิธีนี้ การยุบหนอพองหนอมันก็แยกออกมาจากอานาปนสติการดูลมหายใจเข้าออกอย่า ง, ลงหลวงพ่อเทียนสอนให้ดูนิ้วก็อันนี้ก็แยกออกมาจากกายกตาสติเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายวิธีของแต่ละคนที่ถ้าทําแล้วมันทําให้ใจนิง่งทําให้ใจไม่ลอยก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละออค่ะคำถามที่สองก็คือว่าจริตของแต่ละคนก็จะจะแยกออกเป็นสองแบบเจ้าค่ะคือแบบเด่นนะคะคือ ปัญญาวิมุตต์กับ เ, ออเจโตวิมุตต์เจ้าค่ะก็คืออยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าถ้าบางคนเนี่ยเขามีเจโตวิมุตต์คือเขาก็ต้องได้สมาธิเข้าสู่อัปนากรแล้วเขาถึงจะพิณาปัญญาถึงจะไปได้นี่คือจริตของเขาแต่ว่าอีกอีกทางสายหนึ่งของของบางคนเนี่ยก็จะเป็นปัญญาวิมุตต์เจ้าค่ะอก็คือเขาเอแต่ว่าปัญหาคือว่า คือถ้าสมาธิยังไม่เข้าอัปปนาแล้วเขาใช้ปัญญาทางปัญญาวิมุตต์เนี่ยมันคืออยากส ง, ส, งสัยถามใช่ไหมคะใช่ยังไงฮะก็ต้องนั่งให้มันเจ็บนั่งมันเจ็บแล้วก็ใช้ปัญญาทำเจ็บให้ปล่อยวางความเจ็บแล้วมันก็จะเข้าสู่อัปปนาได้หรือให้มันไปหาความตายพอไปหาความตายแล้วมันตรงยอมปล่อยให้ร่างกายตายได้มันก็เข้าอัปปนาได้ ก็คือใช้ปัญญาพิจารณาในการแยกความเจ็บเลยใช่ไหมเจ้าคะแยกความเจ็บแยกความตาย<อ>แต่ต้องมีเหตุการณ์จริงๆเช่นเครื่องบินจะตกนี้บ่งไปเลยเดี๋ยวก็ต้องตกกับมันแต่เราเป็นใจเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราไม่ได้ตกไปกับเครื่องบินปล่อยให้ร่างกายมันตกไปเพราะเราปล่อยมันได้เราก็หายทุกข์จิตเราก็เข้าอัปปนาสมาธิไปสงบไปเจ้าค่ะ แล้วเราพอจะสังเกตตัวเองได้ยังไงคะว่าเราอ่ะเด่นทางด้านไหนเจ้าคะ่ะถ้าเราไม่รู้แล้วใครจะรู้ล่ะก็ล <c oughs> องดูสิเจ้ค่ะอันคําถามสุดท้ายที่ที่อยากจะเรียนกับหลวงพ่อคือคื อ, อยังหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อพิจนาโดยบริกรรมอ น, นิจจังไปเรื่อยๆเนีค่ะดีเทลของการคือเริ่มแรกเนี่ยหลวงพ่อบริกรรมอนิจจังไปเลยหรือว่าหลวงพ่อสวดมนต์ก่ออนนีจังอย่างเดียวไม่ตอนนั้นไม่ได้สวดตอนนั้นมันเจ็บแล้ว นังแล้วมันเจ็บเจ็บแล้วก็อา น, นิจจังอา น, นิจนน จ, จังไปเดี๋ยวแป๊บเดียวเจ็บนั่นมันก็หายไปมันผ่าดไปจิตก็สงบไปแล้วหลวงพ่ออา น, นิจจดีเทลค่ะดีเทลคือว่าหลวงพ่ออ น, นิจจังเนี่ย อ, อดูอา น, นิจจดูตัวอักษรอา น, นิจังหรือ<ก>ว่าอยู่ที่คําอานิจจัง อยู่ที่คําว่าอนิจจังเหรอจ๊ะคะอนิจจังอนิจจังอนิจจังอนิจจังไม่ได้มีแบบดูต่างต่างไหนอยู่ที่คํานั่นคำเดียวเพื่อไม่เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บเนี่แล้วหลวงพ่อแยกกายเวทนาจิตตอนนั้นด้วยไหมคะหรือว่าเข้าไปแล้วยังไม่ได้ทำนั้แง่ยังยังขั้นสติอยู่ขั้แยกกายนี่อีกขั้นหนึ่งนั่งให้มันเจ็บแล้วก็แยกกายปล่อยให้กายให้มันเป็นเหมือนกับเป็นดินน้ำนมไฟไป อานนั้นขั้นถัดไปใช่ไหมคะแ<ร>ล้วหลวงพ่อดูลมตอนไหนเจ้าคะอ๋อดูลมเวลาที่ไม่ไม่มีความเจ็บเวลาเริ่มต้นนั่งสมาธิอย่างนี้แล้วก็ดูลมไปแต่ลมมันดูจะหยาบเอ้ยจะละเอียดกว่าอนิจจังนะเจ้าคะ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่ไงแล้วแต่แล้วแต่ภาวะของจิตแล้วแต่เหตุการณ์เพราะตอนเจ็บเราจะดูลมไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ดูไม่ได้ก็ต้องใช้อย่างอื่นใช้คําบริกรรมไปหรือใช้ปัญญาแยากมันไป อ๋ออันนี้จังปุ๊บปบก็เข้ารวมเลยหรื อ, อหรือไม่เช่นนั้นก็แยกร่างกายว่าเป็นดินน้ำลมไฟร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนก็คือใจอใจเดือดร้อนเพราะอะไรก็คนไปคนมาก็เจอว่าพ่อมันไม่ชอบ <c oughs> มันเลยอยากให้มันหายอยากนีอยากความเจ็บเพราะอยากมันก็เลยทุกข์ นี่เราก็หัดมาเปลี่ยนใจก็หัดชอบมันสิอย่าไปเกลียดมัน <c oughs> ชอบมันก็ทำไงก็ต้องอยู่กับมันไปพออยู่กับมันไปพอใจมันเรก็คลายความชังมันก็สงบมันก็อยู่กับความเจ็บได้โดยไม่รู้สึกเดือดร้อนค่ะแล้วเวลาหลวงพ่อลงอั ป, ปนาอั น, นิจังลงอัปปนาแล้วหลวงพ่อลงทุกวันหรือว่า ชุ่มแรงๆอย่าไปละเอียดถึงนั้นเลยย้ายแก้ผ้าผ่าไปดูแลให้เป็นกําลังใจว่าให้เป็นกําลังใจว่าเอากำลังใจก็ปฏิบัติทุกวันเนี่ยมันก็ต้องลงทุกวันอ่ะก็คือนั่งตอนไหนก็ลงไปเลยเจ้าค่ะบางทีลงก่อนมันเจ็บมันก็ไม่ต้องผ่านเจ็บถ้าสติดีๆนั่งห้านาทีสิบนาทีมันก็ลงแล้วจากเริ่มต้นหัดใหม่จนลงได้ทุกวันนานไหมเจ้าค่ะอ๋อก็ไม่นานหรอกก็ถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆก็ไม่นาน ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนะอ้โหเจค่ะสติต้องต่อเนื่องค่ะขอบพระคุณแล้วค่ะอยู่ที่สติตัวเดียวที่จะก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าอยู่ที่สติถ้ามีสติต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วมันก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วคำถามจากทางบ้านจากคุณฝนสกายขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะเกี่ยวกับการที่อยากนิพพาน ว่าเป็นกิเลสฝ่ายดีซึ่งเคยอธิบายให้เด็กๆฟังว่าเราควรละความอยากความไม่อยากความไม่อยากมีอยากเป็นแต่ยังสรุปให้เด็กๆฟังไม่ได้ว่าพวกเขาควรเริ่มต้นที่ไหนและจุดพุ่งหมายที่อยากจะนิพพานโดยอยู่กับปัจจุบันไปโดยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วด้วยใจที่สงบแม้ว่าในขณะนั้น จะยังมีความทุกข์อยู่ด้วยนั้นเป็นการฝึกที่ถูกต้องไหมคะเราฝึกเองหรือว่าฝึกให้กับเด็กเนี่ยมันถามมาไม่รู้ว่าพูดอะไรกันนะตอนต้นพูดถึงเรื่องเด็กแล้วก็กลับมาถึงว่าถึงจะสอนเด็กให้ให้อยู่กับปัจจุบันให้ปล่อยวางทุกอย่างแล้วสอนได้หรือเปล่าเด็กมันจะเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมของอย่างนี้มันขนาดคนผู้ใหญ่ฟังยังงงเลย เราไปสอนเด็กเด็กมันจะเข้าใจหรือเปล่าเด็กก็ต้องสอนขั้นของเด็กก่อนเด็กก็ต้องสอนให้เด็กชอบทาความดีก่อนอยากทาความดีก่อนอยากแล้วอยากอยากละบาปอยากทาความดีไปก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นไปไปถึงขั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปเด็กเขาจะไม่มีความเข้าใจว่าทำไมต้องปล่อยวางในเมื่อเขาเกิดมาเพื่อมาหาทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วครูก็มาบอกว่าอย่าไปหาเลยนี่มันก็ข้ามขั้นไปหน่อยเอาคนที่เขาเริ่มเห็นทุกข์แล้วถึงจะบอกเขาให้ปล่อยวางถ้าเ็ายังไม่เห็นทุกข์ไปบอกให้เขาปล่อยวางไม่ได้อย่างลูกศิษย์นี่บอกว่าไปเที่ยวแล้วทุกข์เขายังไม่ปล่อยเลยเขายังต้องไปต้องให้เขาไปเที่ยวแล้วเห็นทุกข์เองแล้วเขาถึงจะหยุดเองใช่ไหม คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งทำอย่างไรให้นั่งสมาธิได้นานหรือจิตรวมได้เร็วครับปกติชอบเดินจงกรมมากกว่านั่งเพราะนั่งได้ไม่นานครับต้องมีสติ ด, ดึงให้จิตอยู่ปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่งให้รู้ว่ากำลังเดินอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้รู้ว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ให้รู้ว่าเรากาลัง ดูลมหรือทำอะไรให้รู้เฉยๆอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆเวลานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายและได้เร็วอยู่ที่สติก็ที่สองทำอย่างไรจึงจะทราบว่าตนเองควรพ้นไปเสียจากคารวะควรเริ่มต้นที่จะเป็นนักบวชได้แล้วครับเมื่อมันเบื่อเพศของคารวะมันอยากจะเป็นพระมันก็มันก็จะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาเอง้อที่สาม เมื่อมีความชอบชังจะมองให้ลดอัตราตัวตนได้อย่างไรครับก็ให้ดูว่าสิ่งที่ชอบก็เป็นทุกข์สิ่งที่ชังก็เป็นทุกข์ผู้ที่ทุกข์ก็คือเราที่ไปชอบไปชังมันนี่เราอย่าไปชอบไปชังก็จะไม่มีตัวตนให้เป็นตัวรู้เฉยๆให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็พออย่าไปชอบอย่าไปชังมัน นี่จะไม่จะทาให้ใจเป็นผู้รู้ได้ไม่เป็นตัวตนได้ก็ต้องทำใจให้สงบเป็นสมาธิพอใจสงบแล้วตัวตนก็จะหยุดทางานเหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้ก็จะโผล่ขึ้นมา ก, ก า, า, าก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปเวลาเขาด่าก็ให้สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปชงังเวลาเขาชมก็ให้สักแต่ว่ารู้ไม่ไปไปชมไปยินดีไปรักให้เฉย ถ้าใจมีสมาธิมันจะเฉยๆได้มันจะเฉยๆกับความชมกับความชังได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอทราบวิธีการสู้กับเวทนาจากการนั่งสมาธิค่ะกามอกกพูดเนี่ยก็ขั้นต้นถ้าเราใช้ปัญญาไม่เป็นก็ให้ใช้สติใช้คาบริกรรมใช้สวดมนต์คืออย่าให้ใจเราไปคิดถึงความเจ็บอย่าไปให้ใจสร้างความอยากให้ความเจ็บหายไป แต่เราบริกรรมมันก็จะไปอยากไม่ได้จะไปคิดไม่ได้พอไม่ไปคิดถึงมันความอยากก็ไม่ทำงานความทรมานใจก็หายไปแล้วเราก็จะอยู่กับทุกขเวทนาได้เพราะความเจ็บทางร่างกายมันไม่รุนแรงเหมือนกับความทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปเราต้องหยุดความอยากที่อยากจะให้ความเจ็บหายไปด้วยการบริกรรมไป อยาไปสนใจกับความเจ็บพุทธพุโทโธัวพุทธัวพุทธไปให้มันถี่ยิบให้มันขาดใจตายไปกับพุทธเลยก็ได้แล้วมันจะมันจะลืมเรื่องความเจ็บไปแล้วมันจะรู้สึกว่าความเจ็บนี้มันไม่เจ็บเลยเวลาเรานั่งดูหนังปวดปัสสาวะเรายังทนได้นะใช่ไหมแต่ถ้านั่งเรียนหนังสือแล้วพอปวดปัสสาวะไหนนั้นต้องรีบออกห้องเรียนไปแนละ้วเพราะไม่ยอมทนมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะทนหรือไม่ทนถ้าเราอยากจะทนก็ทนได้ แต่นี้เราไม่อยากจะทนมันก็เลยทนไม่ได้นั้นเองเพราะเราอยากจะให้มันหายอยากจะให้มันหายเจ็บคําถามจากคุณสิริเมื่อมีความคิดต่างๆนานาเกิดขึ้นในใจเนื่องจากการได้เห็นรูปบ้างหรือสิ่งอื่นๆบ้างและเกิดจากความคิดในใจของตัวเองสร้างขึ้นเองก็ได้มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างควรจะทําอย่างไรคะก็ อาทำสมาธิซะหาทำใจให้สงบแล้วเราจะลดความชอบความไม่ชอบลงไปได้ถ้ายัางไม่ได้สมาธิก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจว่าอย่าไปชอบชอบแล้วก็อยากได้พออยากแล้วถ้าไม่ได้ก็เสียใจถ้าอยากได้ก็ถ้าได้มาก็เดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะเราก็จะรักจะหวงจะห่ว ง, งอีกเออนัพยายามอย่าไปรักอย่าไปชังให้ใจเราเฉยเฉย ให้อยู่กับสิ่งต่างๆให้รับรู้เฉยๆก็พอให้สักแต่ว่ารู้แต่มันพูดง่ายแต่ทํายากพอใครด่าหน่อยปั๊บไม่สักแต่ว่ารู้แล้วพอใครชมหน่อยก็ไม่ไม่สักแต่ว่ารู้แล้วยิ้มแป้นขึ้นมาเล้เนี่ยเพราะใจเรามันไม่ไม่มีไม่รู้จักวิธีอยู่เฉยๆเราจึงต้องมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันแล้วพอเรานั่งสมาธิฝึกสติแล้วต่อไปเราจะใจเราจะเริ่มเฉย เฉยมากเฉยน้อยก็อยู่ที่กําลังของสมาธิที่เราฝึกกันต่อไปก็จะเผยเฉยได้อย่างเต็มที่คําถามจากผู้ฝากถามหลวงพ่อเคยสอนว่าถ้าไม่ค่อยมีเวลาไปทําบุญตักบาทให้นําเงินใส่กระปุกไว้ก็จะเหมือนเราได้ทําบุญทุกวันแต่เวลาผ่านไปเป็นเดือนเดือนก็ยังไม่ได้นําเงินนี้ไปตักบาเช้าลูกสามารถนําเงินนี้ไปทําบุญอย่างอื่น เช่นทำทานให้กับวัดโรงพยาบาลโรงเรียนคนพิการนี้จะเป็นบุญเหมือนกับการตักบาตรพระหรือไม่เจ้าคะเป็นเหมือนกันเป็นการเสียสละเงินทองของเรานี้เรียกว่าเป็นบุญจะทําบุญในรูปแบบไหนก็ได้แต่ประโยชน์ที่เกิดจากการทําบุญบุญในรูปแบบต่างๆก็จะต่างกันไปทาบุญกับโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลก็จะได้รับประโยชน์ทําบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะได้รับประโยชน์ ทำบุญกับโรงเรียนโรงเรียนก็จะได้รับประโยชน์แต่คนให้ได้ผลเหมือนกันคือได้ความสุขใจได้บุญเหมือนกันทําได้ทุกแห่งทุกคนทํากับพ่อกับแม่ก็ได้ทํากับเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ศัตรูของเราเนี่ยซื้อไอ้ผลนี่มันสักเครื่องดูดูว่าดูว่ามันจะโกรธเกลียดเราต่อไปหรือเปล่ามันเกิดมันก็ส่งไปให้มันเลยคาถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่ง บรรพบุรุษคนเล็กและ แ, แรกเริ่มต้นก่อนทวดของทวดของทวดของตระกูลคือใครคะก็คือเราเนี่ยแหละเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เป็นทวดของเราตอนนี้เรากลับมาเป็นเหรนของเราเอ ง, ข, องคคข้อที่สองถ้าแม่ให้เงินเรามาทำบุญแต่เราเอาไปซื้อขนมแต่ใจจริงเราอยากทำบุญบาปไหมคะหนูรู้สึกทุกใจกับสิ่งที่ทาไปคะ่ะ คืออยู่ที่ว่าเรารับด้วยด้วยเงื่อนไขหรือไม่ไม่ด้วยเงื่อนไขถ้าแม่บอกเอาเงินนี้ไปทำบุญแล้วเรารับไปแล้วเราไม่ทำบุญก็แสดงว่าเราเราไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะเรียกว่าเราเเโกหกก็ได้หรือไม่ไม่ซื่อสัตย์ก็ได้ถ้าเราซื่อสัตย์เราก็ต้องทำตามตามทำตามเงื่อนไขไป เวลาจะรับอะไรต้องดูก่อนว่ามีเงื่อนไขหรือเปล่าถ้าเป็นเงื่อนไขที่เรารับไม่ได้ก็อย่าไปรับมันมเพราะถ้าเรารับแล้วเราไม่ทําตามเงื่อนไขเขาก็จะหาว่าเร า, เาหลอกลวงได้ช่อโกงได้คำถามจากผู้ฝากถามโยมได้ฟังธรรมและเริ่มภาวนามาประมาณแปดปีภาวนาเองที่บ้านทุกวันและฟังเทศทุกวันจนวันหนึ่งจิตสงบนิ่งรวม ความฟุ้งซ่านลดลงไปมากทำงานก็มีสติมีสมาธิระยะหลังนี้เริ่มรู้สึกว่าชีวิตทางโลกกับทางธรรมมันไปด้วยกันไม่ได้เริ่มเป็นมากขึ้นทุกวันสาวะทิตก็จะฟังธรรมภาวนาทาทานรักษาศีลการงานไม่เอามาทำที่บ้านเริ่มคิดจะลาออกจากงานแต่ก็ยังไม่สำเร็จด้วยมีเหตุผลของญาติของผู้คนรอบข้างมากมาย ว่ารอก่อนช่วยที่ทำงานก่อนเราเป็นผู้หญิงนะไม่เห็นต้องออกจากงานเลยทำงานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้จิตมันเริ่มต่อสู้กันค่ะโยงควรจะทำอย่างไรต่อไปคะก็ปฏิบัติให้มากขึ้นเดี๋ยวธรรมะเรามีกำลังมากขึ้นมันก็จะตัดไปได้เหมือนชักกระเยอะกันตอนนี้กำลังกําลังพอๆกันมั้งพวกพวกที่ดึงให้เราอยู่ก็มีกาลังเท่าเท่ากับพวกที่จะดึงให้เราไป งั้นเราต้องสร้างพวกที่จะดึงให้เราไปให้มีมากขึ้นทำสมาธิให้มากขึ้นทำเจริญปัญญาให้มากขึ้นให้เห็นความทุกข์มากขึ้นเดี๋ยวพอทำมีกำลังมากกว่ามันก็ไปหมดแล้วทางคำถามที่ฝากมาหมดแล้วเลยก <c oughs> ็เอาทาง YouTube ทาง Facebook ต่อวันนี้ทางทาง youtube มีเข้ามาห้าสิบเอ็ดค น, นะฮะแล้วก็อยู่อยู่ตลอดเลยนะฮะครับ ส่วนทางเฟซบุ๊กีตอนพระอาจารย์เทศอยู่ที่สองร้อยหกสิบสามตอนนี้ยังอยู่ที่สองรอยสี่ิเจ็ดนะครับาสาวาทจะน้อยกว่าวันธรรมดาวันธรรมดาสามร้อยกว่าสาวาทก็คงจะมาส่วนหนึ่งก็มาที่นี่อีกส่วนหนึ่งก็คงไปที่ต่างๆ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ที่จะต้องไปไม่ว่างที่จะดู เมือมอม่อสักครู่มีมจากฝรั่งเศสนะฮะเมืองประเทศที่สิบ่ า, <laughs> ากสามิทินครับ <laughs> <า>คำถามจาก Youtube นะฮะคำถามแรกเป็นผู้าจากคุณวีเคนะครับเป็นผู้หญิงเข้านิพพานได้ไม่ง่ายเหมือนผู้ชายด้วยอุปสรรคต่างๆพระอาจารย์มีคำแนะนำอะไรบ้างคะที่จะเข้าถึงได้ก็ดูผู้หญิงที่เขเข้าถึงได้สิแล้วก็เอาเข้ามาเป็นตัวอย่างของเรามาเป็นโมเดลของเรา มันเป็นตุ๊กตาของเราท่านทำไมทําได้ท่านก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันดูคุณแม่แก้วแม่ชีแก้วลูกศิษย์หลวงตาลูกศิษย์หลวงปู่มัน่น <c oughs> ดูแม่ชีกอเขาสวนหลวงท่านก็ไปนิพพานได้ท่านก็เป็นผู้หญิงเหมือนเราก็ไปศึกษาประวัติของท่านดูแล้วก็เอาประวัติของท่านมาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็บำเพ็ญตามที่ท่านบำเพ็ญมีนะไป มีวันก่อนมีมีแม่ชีคนหนึ่งมาเล่าว่าที่เธอบวชได้ก็เพราะว่าได้ศึกษาประวัติของภิกษุณีมาแล้วเกิดความประทับใจในความอดทนในความเพียรของแม่ชีรูปนี้ของภิกษุณีรูปนี้จนทําให้เธอสามารถออกบวชได้งั้นเราต้องมีตัวอย่างเป็นแบบฉบับพระพุทธเจ้าถึงบอกให้เร า, เ, ราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็ดี เ, เลิกถึงพระสาวกทั้งหลายก็ดี จะทําให้เราเกิดมีกําลังจิตกําลังใจที่จะบําเพ็ญที่จะปฏิบัติเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์ดอนดินเหมือนเรามีเกลเลรโลบกฎหลงเหมือนเรามีพ่อมีแม่เหมือนเรามีอะไรต่างๆเหมือนกับเราหมดทําไมเขาทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ก็เพราะเราไม่ยอมทำเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าเรามองอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะรู้สึกว่ามันง่ายเหลือเกินมันไม่ยากหรอกเรามันขี้เกียจเองเรายังติดกับความสุขเล็กๆน้อยๆ ติดกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากอยู่เรื่อยพยายามดินออกมาทักทีมันก็มีเท่านั้นแหละคำถามต่อไปจากคุณสิรินทร์ครับคนป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองไม่อยากผ่าตัดเพราะกลัวเสียชีวิตเป็นห่วงลูกที่ยังเล็กธรรมะข้อไหนให้ปลงและไม่ถูกครออัก็ต้องตายกันหมดนี่ตั้งคนที่ห่วงและคนที่ถูกห่วง เราก็ตายเดี๋ยวลูกที่เล็กมันก็ตายตายช้าตายเร็วแต่มันต้องเกิดมาตามใดที่มีการเกิดตามนั้นมีการตายเนีย่ยพวกเราที่นั่งอยู่นี่เดี๋ยวตายกันหมดเนี่ยเห็นแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองให้มรณานุสติให้เรารึกถึงความตายแล้วมันจะตัดความห่วงทามกังวลต่างๆได้คำถามต่อไปจากทางเฟซเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับจากคุณนารามีสองคำถามนะครับ คำถามแรกเวลาเราป่วยไม่สบายควรพิจารณาอย่างไรครับก็อยู่ที่ว่าตอนที่ก่อนเราป่วยเราพิจารณาอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่พิจารณาเราจะมาทำตอนที่เราป่วยมันก็ไม่เปิดประโยชน์อะไรมันเหมือนกับนักมวยถ้านักมวยยังไม่ซ้อมไม่ชกกระสอบสายไม่ซ้อมชกกับคู่ต่อสู้คู่ซ้อมก่อนเวลาไปขึ้นเวทีมันจะไปเอาอะไรไปสู้กับเขาแนละ้วใช่ไหม ฉันต้องดูด้วยตอนที่เรายังไม่ป่วยว่าเราทำยังไงเหมือนกับนักเรียนตอนก่อนจะเข้าห้องสอบนี่ทำอะไรอยู่ไปเที่ยวตามศูนย์การค้าหรือเปล่าไปดูหนังฟังเพลงหรือเปล่าหรืนไปเรียนพิเศษไปดูหนังสือไปทำการบ้านมันอยู่ที่การเตรียมตัวไม่ใช่มาเราทำตอนที่เข้าห้องสอบแล้วเพราะถึงเวลาเข้าห้องสอบแล้วถ้าไม่ได้เตรียมตัวก็ทาข้อสอบไม่ได้ เพะนันต้องพยายามทำต้องสมมุติว่าตอนนี้เรากำลังเจ็บเราต้องเรากำลังจะตายกันเพื่อเราจะได้เตรียมทำข้อสอบกันได้ครับคำถามที่สองก<ฮ>ิเลสมันคืออะไรครับกิเลกก็คือความเศร้าหมองความทุกข์ต่างๆคือความโลภความโกรธความหลงเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงแล้วใจเราจะเศร้าจะหมอง จะหดหูจะไม่สบายใจจะวุ่นวายจะเครียดจะวิตกจะกังวลต่างๆนี่คือผลของของการการทำงานของกิเลสคำถามต่อไปจากคุณแนนครับลูกขอกราบเรียนถามค่ะเนื่องจากลูกได้ช่วยแมวจรจัดตัวหนึ่งที่ถูกทำร้ายมาช่วยให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเมื่อวานพาเขาไปหาหมอเพื่อทำแผลอีกครั้ง ปรากฏว่าหมอบอกว่าต้องตัดขาหลังที่เขาทิ้งอีกข้างหนึ่งเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วขาเกิดเป็นเนื้อตายขึ้นมาด้วยอายุของแมวนั้นถ้าเทียบกับคนก็อายุประมาณเจปีและยังบอกช้ำจากการผ่าตัดครั้งก่อนทั้งลูกและพวกลูกบุญทั้งหลายท่านจึงลงความเห็นกันว่าจะไม่ตัดขาเขาทิ้งแต่เขาจะต้องตายเพราะเนื้อตายจะต้องกินเข้าไปเรื่อยๆจนถึงเชื้อในจนติดเชื้อในกระแสะเลือดตาย แต่ถ้าผ่าตัดโอกาสรอดก็มีแค่ส0มสิเอร์เซนเนื่องจากเขามีสภาวะเลือดจางและหารับเลือดบริจาคไม่ได้อย่างนี้ที่ลูกตัดสินใจไม่ตัดขาเขาทิ้งลูกบาปไหมคะเหมือนลูกไปชี้เป็นชี้ตายเขาหรือเปล่าคะไม่หรอกก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาเท่านั้นเองแต่ถ้าเราช่วยเขาก็อาจจะเป็นการเป็นการแผ่เมตตาของเรา ถ้าไม่ช่วยก็เป็นการแผ่อุเบกขาของเราก็มีสองวิธีแผ่เมตตาก็ช่วยช่วยเขาต่อไปถ้าเราไม่อยากจะแผ่เมตตาเราก็แผ่อุเบกขาไปปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาไปคำถามต่อไปจากคุณใจบริสุทธ์ครับถ้าเราภาวนาพุทโธความคิดหายเหลือตะคำบริกรรมกับลมหายใจ เราเดินยังไงต่อครับก็บริกรรมต่อไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อถึงจะหยุดคำถามต่อไปจากคุณสามเณรครับวิธีดับความทุกข์จะทำอย่างไรครับก็ต้องหยุดต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆคำถามต่อไปจากคุณเรียนยาครับหนูไปวัดวันหวยออกเจอพระรูปหนึ่งท่านแสดงอาการดีใจว่าวถูกหวย และพูดขึ้นถูกแสนหนึ่งไม่ขาดทุนแล้วในใจหนูคิดอคติและคิดไม่ดีทันทีที่ได้ยินแบบนี้จะบาปไหมคะออไม่บาปเนาะคำถามต่อไปจากคุณ ส, สมชายครับสังโยชน์เรื่องการในชั้นพระโสดาบันรวมถึงภรรยาตัวเองด้วยใช่หรือไม่ครับ พระอาจารย์คนทั่วไปที่ยังครองเรือนมีสามีภรรยาอยู่ยังไม่สามารถปฏิบัติถึงขั้นโสดาบันใช่หรือไม่ครับเม้แต่พระโสดาบันก็ยังละยังไม่ได้ละการมราคะอยู่ยังอยากจะร่วมหลับนอนกับภรรยาของตนแต่จะไม่ทําผิดศีลคือจะไม่ไปหาบ้านที่สองบ้านที่สามจะมีบ้านเดียวจากคุณสุมาศนะครับ วิธีที่จะฝึกไม่ให้มีความโกรธจะทําอย่างไรครับก็ต้องหยุดความอยากอย่ามีความอยากแล้วก็จะไม่โกรธที่เราโกรธเพราะเราอยากเพอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่โกรดมีประเทศที่สิบเอ็ดฮะจากสิงคโปร์สิงคโปร์ครับคําถามต่อไปจากคุณขวัญครับ พระสงฆ์ที่ได้โสดาบันจะศึกไหมคะถ้าได้อริยะแล้วศึกมามีครอบครัวได้หรือไม่ครับมีแต่เขาจะบวชปฏิบัติต่อไปให้ถึงนิพพานกันไม่มีใครเขาศึกหรอกครับตอนตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วนะมีประเทศประเทศที่สิบสองมีจากเบลเยียมเบลเยียมนีจำไว้เรื่อยๆดูเราจะกี่ประเทศครับช่วยช่วยกันจำด้วย คือการบวชนี่มันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นทางที่จะทําให้เราไปถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุดเนีย่ยเห็นถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันผิดปกตินี่ไม่มีใครก็เสื่อมกันหรอกถ้าบวชแล้วถ้าถ้าได้บรรลุธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วอย่างพร ะ, ะพระอัญญาณโกนทัญญาเท่านก็บรรลุโสดาบันแล้วท่านเสืกก่อมรึเปล่าท่านก็ปฏิบัติต่อฟังเทศฟังธรรมอีกสักสองสามครั้งท่านก็ได้เป็นพระอาหารหันต์แล้ว แล้เรื่องอะไรไปสึกทำไมงานสึกก็เป็นเหมือนกับการเดินถอยหลังนอกจากว่าเกิดมีเหตุการณ์สุดวิสัยก็บังคับให้ศึกอย่างนี้อ่าก็สึกก็สึกไปแต่ก็ศึกจากเพียงแต่กิริยาเท่า น, นั้นเองแต่ใจของท่านท่านก็ปฏิบัติต่อไปท่านก็บรรลุได้มันไม่มีการถอยละถ้าได้เข้าสู่กระแสแล้วมันไม่มีการถอยกลับไปมีแต่จะก้าวเข้าไปต่อไปเหมือนกับเราขึ้นทางด่วนแล้วมีทางถอยหลังไหม ขึ้นทางด่วนก็ต้องวิ่งตรงไปอย่างเดียวถ้าวิ่งบนทางด่วนเนี่ยมันก็ถึงจุดหมายปลายทางที่ทางด่วนพาเราไปทต่ในกระแสพานิพานก็เหมือนกับทางด่วนพระโสดาบันก็คือผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพรานิพานก็คือผู้ที่ได้ขับรถขึ้นทางด่วนเมื่อขึ้นทางด่วนแล้วอยู่เทินไม่ได้นะใช่ไหมก็ต้องวิ่งไปอย่างเดียวจบพอดีอะไรดังออมีอีกไหม มีสุดท้ายก็แล้วกันครับาจากกุญแจบริสุทธิ์ครับอายาตนะหกเราต้องพิจารณาเช่นไรครับอายาตนะหกก็คือมันมีอายาตนะภายนอกกับอายาตนะภายในภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกอายาตนะคือตัวที่รับข้อมูลจากอายาตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพะและธรรมารมณ์เป็นคู่คู่กันตาตาก็รับรูปหูก็รับเสียง จมูกก็รับกลิ่นดินก็รับรสร่างกายก็รับผดทพักษก็สัมผัสหนาวหนาวเย็นร้อนแข็งต่างๆแล้วใจก็รับธรรมอารมณ์อารมณ์ต่างๆที่มีในใจนี่คืออายาตนะแบ่งเป็นสองฝ่ายภายนอกกับฝ่ายในภายในก็คือตาหูจมูกดินกายกับใจภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพักับธรมรมอารมณ์นี่เกีเรื่องของอายาตนะอ่าท่านนี้ก่อนนะ